ครั้นแล้วตรัสต่อไปถึงการที่นักบวชลัทธิที่อื่นจะพึงถามถึงอาการและความเป็นไปของสมณะรามที่พวกท่านกล่าวว่าเป็นผู้ปราศจากราคะปฏิบัติเพื่อนำออกซึ่งราคะปราศจากโทสะปฏิบัติเพื่อนำออกซึ่งโทสะปราศจากโมหะปฏิบัติเพื่อนำออกซึ่งโมหะพวกท่านพึงตอบว่าสมณะรามเหล่านั้น